พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าทำมาหากินแบบสินไม่ขาด วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับณักัตยาธิโยมลูกหลานวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพนวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันพระในทางพระพุทธาาศาสนาแปดค่ำสิบห้าค่ำเหมือนกับาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นาศาสน า, าคริสเขาก็ต้องเป็นมีวันอาทิตย์ แต่พุทธศาสนานี่ก็เป็นวันขึ้น8ดค่ำสิห้าค่ำแต่นะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเข้าหุ้นบริษัทของพระพุทธทเจ้าพวกเราก็ควรจะประกอบศาธนากิจประกอบคุณงามความดีในวัน8ดค่ำสิห้าค่ำเอาผู้หมวดเป็นผู้พานําไหว้พระสมาทานศีลสาธุ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณิภูติงยันติตัตสมาสีลังวิโสาทายวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพนกลางกลางเดือนหนึ่ง และพระในวัดของเราทุกองค์นั้นบอกต่อๆกันทางพระเก่านั้นบอกพระใหม่อุโบสถเราจะลงอุโบสถวันนี้นะวันอุโบสถเที่ยงนาะนัดกันเที่ยงในวัดของเราจะลงอุโบสถเที่ยงพระสงฆ์จะลงอุโบสถวันลงอุโบสถคํานี้ก็คือสิบห้าวัน ทุกกลึงเดือนปลายเดือนคือเดือนหนึ่งจะมีการลงอุโบสถสองครั้งกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนแรงสิบห้าข่ําขึ้นสิบห้าขั้มหรือสิบสี่คั้เป็นวันพระสงฆ์พร้อมกันทบทวนเรื่องของศินศินสองยยี่สิบข้อ ทกสิบห้าวันจะมีองค์สวดให้ฟังเป็นการทบทวนทำวิเนยศสินของเรายี่สิบเจ็ดพระสงฆ์รักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างท่านก็จะสวดให้ฟังทกกลึงเดือนนี่แหละพระสงฆ์วันนี้เป็นวันวันหนึ่งเป็นวันลงอุโบสถของพระสงฆ์ถ้าทั้งนับตั้งแต่สี่โรคขึ้นไปจะมีการลงอุโบสถ ฟังพระปฏิโมกขบทบทบวนเรื่องของศิลและวินยัยอันนี้ก็คือเป็นกฎระเบียบถ้าองค์ไหนไม่ลงอุโบสถป ร, ปรัติาปเป็นโทษเป็นโทษแปลว่าเป็นผู้ขาดย่อหย่อนในกฎระเบียบย่อหย่อนในศิลและวินยัยพนั้นพระสงฆ์ทุกวัดก็จะมีการสวด ลงอุโบสถแล้วก็สวดพระปฏิโมกแต่สำหรับคณะสัตยาติโยมกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันแปดค่ำสิบห้าค่เป็นวันประกอบคุณงามความดีสำหรับคณะสัตยาติโยมแต่อย่างในศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสนะวันนี้นะเป็นวันที่พระเ ย, ะเยซูประสูตินะ ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในศาสในคริสต์ศาสนาของเขาแต่ของเรานี่ยกวันมาวันวิสาขาบูชาวันเดือนหกเพนวันเป็นวันประสูตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือทุกศาสนามีที่ไปที่มาอย่างคริสต์ศาสนาเขาก็มีพระเยซู พุทธศาสนาของเราก็มีพระพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพอท่านประกาศพระศาสนามีพระสงฆ์ขึ้นมามากพุทธบริษัทสี่ขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาวันไหนวันไหนกับออไม่มีวันกำหนดกฎเกณฑ์พระเจ้าพิมพิสารก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่ กรุงราชคืที่วัดป่าเวลุวันในเช้าวันหนึ่งเพราะว่าศาสนาอื่นในศาสนาสมัยนั้นก็มีศาสนาเยอะแยะไปหมดครูทั้งหกรือศรีชีไพรเขาก็กําหนดวันแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารเขาไปกราบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพุทธศาสนามีพุทธศาสนากชนก็มากควรจะมีวันสําคัญและเป็นวัน ทำมัสวรนะหรือเป็นวันพบกันนัดพบกันหรือวันนัดประชุมกันหรือวัดเป็นวันนัดฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันมีการไหว้พระสวดมนต์อย่างวันนี้แหะพราพระองค์ก็ถามว่าจะเอาวันไหนพระเจ้าปิมพิสารก็บอกเพราะพุทธศาสนาถือจันท ร, รกติคือถือพระจันทร์ก็ว่าเอาวัน อแรมแปดค่าหรือว่าแรมสิบห้าแรมสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค้วว่าขึ้นแปดค่าเราขึ้นสิบห้าค่ำสรุปแล้วก็คือเดือนหนึ่งมีอยู่สีครั้งแปดคำ่คำสิบห้าค่าแรมแปดค่าแรมสิบสี่สิบห้าค่ำอย่างวันนี้แหละอันนี้แปลว่าขึ้นสิบห้าค่ำ กลางเดือนหนึ CO, Finanz, form, the the ่งเป็นว right. uh, ันธรรมวัฒนะพระองค์ก็อนุมัติตามพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นจากนั้นมาเลยถือกันมาเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีพระพุทธเจ้าพิมพิสารเป็นผู้กล่าววาลาธนาเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุมัติตามที่พระเจ้าพิมพิสารขอจากนั้นก็เป็นขนมธรรมเนียม มาจนถึงขณะนี้เพราะนั้นได้หลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะถ้าหากว่าพวกเราพุทธศาสนิกชนวันไหนก็วันเก่าไม่ถือว่าไม่มีวันสำคัญไม่มีวันประกอบคุณงามความดีเฉลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนพุท ธ, ธบริษัททุกหมู่เหล่าวันแปดค่ำส15้าค่าหรือวันวันแรม8ดค่า หรือว่าแรมสิบห้าส่ห้าค่ำพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีล้ำลึกถึงคุณงามความดีของตนสรุปแล้วก็คือเจวันเราก็ควรจะชำระกายวาจาของเราให้เรียบร้อยสําหรับ ก, กายก็คือรักษาสินห้าสินห้าคือสินของพุท ธ, ธะ ที่พระพุทธาณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้รับศีลไปเมื่อกี้เนี่ยในพุทธศาสนากชนการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีจริยธรรมคือความประพฤติให้ถูกต้องเหมาะสมแต่หาว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่ไม่มีศาสนาเหมือนกับสัตว์สาลาสิงอยู่ในป่าดงพงไพ ถ้าหาวาไม่มีกฎมหมายคุ้มครองอกฎหมายก็คือนี่ยหลักพระธรรมวินัยเนี่อสมัยนั้นก็คือหลักพระธรรมวินัยนั่นคือกฎหมายทางโลกของเขาก็เหมือนกันถ้าหาวาคนอยู่ด้วยกันไม่มีกฎหมายผู้มีอำนาจเหนือกว่าก็กดขี่บังคับข่มเหงผู้ที่น้อยกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลส สันทัดฉันชาติยานของสัรพสัตว์ในโลกอย่างพวกเราเห็นพวกม้าช้างม้าวัวควายหมูหม้าเป็ดไก่อันไหนก็ตามตัวไหนก็ตามถ้ามีอํานาจมีกําลังเหนือกวา่าตัวใหญ่กว่าก็มีการบังคับเอารัดเอาเปรียบพวกที่ด้อยกว่าอันนี้สัพพสัตต์ในโลกพวกเรามองมองเห็นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมนุษย์ของเราก็ไม่แพ้กันเพราะฉนั้นจึงมีกฎระเบียบ ทางโลกเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองในหลักของพุทธศาสนาสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เพราะพุทธเจ้าจึงมันจัดทำวิทย์ในสำหรับครวญญาติโยมกับสินห้าให้มีสินห้าถ้าว่ามีความมุ่งมั่นมากกว่านั้นก็ให้มีสินอุโบโสถคือสินแปแต่สมมณเณรยังตัวเล็กอยู่ยังน้อยอยู่ให้ใหใหรักษาสินสิบภิกษุ เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ให้รักษาสินสอยี่สบ็ดในเมื่อบรญญัดสินสยี่บ็ดแล้วก็ให้มีการทบทวนทบสิบห้าวันเพื่อการหลงลืมบางคนโดยมากพอถึงวันเข้ามาแล้วก็ไม่รู้สินของตัวเองเป็นยังไงโดยมากกิเลสมันไม่ชอบกดเบีบนะกดดบีบวินัย คนมีกิเลสโลบ์โกรธหลงเนี่ยมันไม่ชอบกฎระเบียบมันอยากจะทำตามอำนาจตามอำเภอใจตามอัธยาใจของตนเองอยากจะทำแต่พอทำเขาไปแล้วมันเดือดร้อนทำให้หมู่ด้อยู่ด้วยกันมีความทุกข์เดือดร้อนฟุ้นวายไปหมดเพราะว่าพวกเราขาดกฎระเบียดพิไนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งกฎระเบียบพิไนให้พวกเรามีศินสาหรับคารวะ อย่าคิดฆ่ากันนะถ้าพวกเราคิดฆ่ากันใครจูด้วยกันไม่ไม่ไ ม, ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันคิดฆ่ากันเมื่อเขาเมื่อเราคิดฆ่าคนอื่นคนอื่นก็คิดฆ่าเราต่างคนก็ต่างเตรียมสัตราอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองเออผลในสุดก็นะ่ะถึงจะป้องกันขนาดไหนคนหนึ่งออพยายามคิดจะฆ่า คนหนึ่งพยายามรักษาตัวพลนจากโจรนะ เ, ออเราควรไปฆ่ามันก่อนซะเพราะในสุดต่างคนก็ต่างไม่ไว้ใจกันต่างคนก็ต่างคิดฆ่ากันพวกเราคิดดูที่ว่าจะได้จะรับจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นถูกไหมไหมในมวลมนุษยชาติในเมื่อเราคิดฆ่ากันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าการอยู่ด้วยกันควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมควรจะมีกฎระเบียบ ในการอยู่ร่วมร่วมกันอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไม่คิดฆ่ากันต่างคนก็ต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันโลกทั้งโลกก็เป็นได้รับความสุขในระดับหนึ่งข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันต่างคนก็ต่างมีทรัพย์สมบัติมากน้อยต่างกันแต่ถ้าว่ามีขโมยโพยโจรขโมยกันไม่รู้จักจบจักสิน้นกหาความส ง, งบสุขไม่ได้หวาดระแวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะรเพราะว่า มีขโมยโพยโจนในกลุ่มในหมู่ในคณะแต่ถ้าว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นผู้มีสินซะทุกคนก็ไม่หวาดพวานอนหลับหลับตาได้เพราะไม่คิดว่าใครใครจะมาคดมากงมาขโมยสิ่งของของเราอันนี้ก็คือสินข้อที่สองข้อที่สามสามีภรรยาลูกหลานของใคร เขารักสังหรณห่วงแหนของเขาเราก็มีเขาก็มีต่างคนต่างเคารพรักด้วยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สาข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเสียหายทรัพย์สมบัติของเขาเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างมีข้อที่ห้าสุราเมระยะ มัชฌะปะมาอย่าไปดื่มสุราเามรัยคัญชายยาฝิ่นเฮโรอีนให้ขาดชติในเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะพระเจ้าก็ให้สําหรับครวญญาติโยมผู้มีภาระธุระมากยังมีการทามาค้าขายอยู่การมะยังมีการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่สินห้าเท่านี้เพียงน่าจะเพียงพอ น่าจะปกครองกันน่าจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือศินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเราเขาเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไม่ต้องการอยากจะให้คนอื่นมันเบียดเปลี่ยนเราเราจะไปเบียดเปลี่ยนคนอื่นเขาอยู่เขาก็เดือดร้อนในเมื่อเรา ไม่เบียดเบียนเขาขอไม่เบียดเบียนเราต่างคนต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโลกทางโลกก็จะร่มเย็นเป็นจุกในยุคนั้นสมัยนั้นในกลุ่มนั้นในชุมชนกลุ่มนั้นแต่หากว่าขาดศีลธรรมแล้วมีแต่ความเดือดร้อนนะคณะทศไทยญาติโยมนี่แหละคือศีลของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็ น, นำมาคิดนะคุณคิด ในจิตในใจว่าเจีงไหมเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็เรื่องการเป็นอยู่ของฝ่ายครวญญาติโยมเป็นอยู่อย่างไรการทํามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นสัมมาชีพอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป่นอย่าไปทํา ทำให้คนอื่นเดือดร้อนการทํามาหาก เ, เลี้ยงชีพก็จําเป็น อ, อาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือเนี่ยข้าวน้ําโภชนาะอาหารมีปัจจัยสี่สรุปแล้วก็คือต้องหาเงินผู้ใดได้เงินมาแล้วก็พร้อมที่จะอํานวยความสะดวกในปัจปจัย4ี่ปัจจัยนั้น4ี่ปัจจัยสีนั้นคืออะไรอาหารคือข้าวน้ําโภชนาะอาหารการบริโภคในแบบ เป็นปัจจัยหนึ่งยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นปัจจัยสองแล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสามผ้านุ่งห่มเป็นปัจจัยสี่แต่สี่ปัจจัยปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัย นี่ปัจจัยสี่จะขาดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ถ้าหาว่าขาดอันใดอันหนึง่งเราก็หาความสงบสุขไม่ได้เป็นทุกข์ทีเดียวไม่มีอาหารกินเป็นยังไงไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเป็นยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาเป็นยังไงไม่มีที่พักพาอาศัยไม่มีบ้านเรือนอาศัยเป็นยังไงอันนี้ก็คือปัจจัยสี่หรับเลี้ยงร่างกาย แต่สำหรับจิตใจของพวกเรานะ่มีอาหารอีกอันหนึง่งอย่างพวกเราท่านหลายที่มาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้ละ่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังควรจะสแสวงหาอาหารเข้าสู่จิตใจด้วยใจของเราเนี่ยมีแต่อยู่ทางมีแต่สะสะแสวงหาปัจจัยสี่อย่างเดียวมันหิวหวยนะเออมีแต่อยากอยากอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราควรจะเอาธรรมะ เข้าสู่จิตใจของเรามันอยากอะไรต้องถามตัวตัวเองเออมันอยู่ไปกี่ปีชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าไรอดี๋ยวจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เร่งเหล่านี้เราต้องทบทวนเนี่ยมันนี่คือยับยัง้งความอยากคือกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราเมื่อเรา ยับยั้งในจิตใจแล้วก็ประกอบคุณงามความดีให้มีศีลห้ า, าจากนั้นก็ให้มีสมาธิาทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็เดินวิปัสสนาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผล เ, เมื่อเราพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วเราก็จะถามตัวเองว่าเอาเถอะร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนก็เถอะนะ มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอะถึงจะเลี้ยงร่างกายสมบูรณ์ขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมันก็แก่อพอแก่แล้วก็เจ็บถึงจะมีอาหารการบริโภคอาหารครบหมู่สี่ขนาดไหนก็เถอะหมู่สี่หมู่ 4, ห้าขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายเลี้ยงขนาดไหนมันก็ต้องไปสู่ความแก่ถึงจะมีผ้านุ่งหม่มให้อย่างดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหน ให้ร่างกายผมมันก็แก่ถึงจะมียาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนให้มันกินให้ร่างกายกินมันก็ยังแก่ที่อยู่อาศัยเจรหลรุหลา้าโออาขนาดไหนให้ร่างกายเราอยู่มันก็ยังแก่ เ, เพราะนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่มันก็ถึงจุดจบของมันอีกสักวันหนึ่งนี่นะใจนะในเมื่อถึงจุดจบแล้วจะไปไหน ใจในร่างกายร่างกายนั่คือจุดจบของร่างกายแต่จิตใจนั่นในหลักของพุทธศาสนาและวท่านให้ความสำคัญจุดนั้นสำคัญมากกว่าในเรื่องร่างกายท่านยังให้สำกับความจำกัดคำว่ามนโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจในั่นแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาท่านให้แยกเป็นสอง กายกับใจใจกับกายกายก็คือร่างกายของเราใจก็คือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนี่แหละตัวนี้จะไม่ตายเพราะนั้ น, นท่านท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องศึกษาเรื่องอาหารกายเราควรจะเลี้ยงยางไงส่วนอาหารใจเราจะให้ยังไงอาหารใจถ้าให้อาหารไม่ถูกมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ต้องเลี้ยงให้ถูกอาหารใจเราควรจะเลี้ยงอย่างไรควรจะศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้อาหารทางใจเข้าอาหารทางจิตใจนะั่นคือเอาเข้าอย่างไรให้อาหารใจของเราได้ดื่มได้กินอาหารธรรมะดื่มดื่มดับธรรมะเข้าสู่จิตใจเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราต้องศึกษามีหลายระดับเหมือนกันระดับอาหารเข้เขาสู่ จิตใจของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเนี่ยสำหรับพระสงฆ์การเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนากับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเมื่อเราบวชเข้ามาอันดับแรกเข้ามาแล้วก็เราก็ต้องศึกษาอเ น, นวะขันธ์ธุระคือการศึกษาต่อมาแล้วก็เรามาปฏิบัติเราวิปัสสนาธุระการศึกษา การศึกษาเนี่ยมีในระในระดับในระดับที่ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยในเมื่อการศึกษาส่วนหนึ่ง เ, เราก็พยายามศึกษาในธรรมะเมื่อเราลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติลตและก็ถึงเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็วเาปฏิเวท ปริยัตคือการเรียนปริยัตคือการเรียนต้องศึกษาซะก่อนทุกคนต้องศึกษานะไม่รู้ว่าวิชาไหนทั้งหมดต้องมีปริยัตคือการเรียนซะก่อนในเมื่อเรียนรู้วิชาเรื่องต่างๆเหมือนกับเราดูแผนที่ปนะิชาคือดูแผนที่ปริยัตคือดูแผนที่ ในเมื่อดูแผนที่รู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเดินทางเดินตามแผนที่ในเมื่อเดินตามแผนที่แล้วก็นั้นแหละ ว, ว่าปฏิเวทเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนี่ว่าป ฏ, ปฏิเวทธรรมนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคันถาธุระวิปัสนาธุระนี่แหละสรุปแล้วก็คือในหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้การเรียนรู้การศึกษาเหมือนกัน นั่นขอให้พวกพระลูกพระหลานทุกองนะ เ, เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนท่านบอกกล่าวว่ า, าพวกท่านทั้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้วให้ศึกษาให้รู้แนวทางประพฤติปฏิบัติแล้วให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยให้อยู่ในศีลและจากนั้นก็ให้ปฏิบัติจะไปอยู่เฉยเฉยท่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ปฏิบัติอะไร พอฉันอาหารเสร็จแล้วก็มาจะพูดเรื่องการบ้านการเมืองการเรื่องต่างๆไม่ได้สนใจไฟธรรมะอันนั้นไม่คุ้มไม่คุ้มค่าข้าวเขานะเนี่ยที่พวกเราคณะทศไทยญาติโยมถวายขนมนมเลยข้าวน้ำโภชนาอาหารมานถ้าว่าพวกพระบวชเข้ามาแล้วไม่ได้เพ่งพินิษไม่ได้ภาวนาไม่ได้สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานผมพ่อได้ยินท่านบอกว่าเนี่ยเหมือนเรากินข้าวเหมือนกับกินเหล็กแดงเด็กแดงที่เขาเผาไฟถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในอัดในธรรมไม่อยู่ในศีลในธรรมในหลักธรรมคำสอนเข า, เขาตรัสไว้ว่าพิกษูใดก็ตามเมื่อ กินข้าวของชาวบ้านเขาแล้วได้ปัจจัยสี่ของชาวบ้านเขาแล้วได้บริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านเขาแล้วให้ไปหาหมุมสงบนั่งขัดสมาธิในที่แจ้งลอมฟางในปล่าในป่าในโครนต้นไม้ในที่สงบสงัดให้เพ่งพินิษ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเ อ, อนั่นนะอ น, นันต์แปลว่าคุ้มค่าข้าวของเขา ถ้าหาว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นแปลว่าเราทานอาหารของเขาเปล่าเป็นโทษเพราะพระองค์บอกว่าถ้าภิกษถูดก็ตามเห็นอเนจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมเพียงแต่เห็นอเนจังคือความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวอันนั้นก็คือคุ้มค่า คุ้มค่าข้าวของเขาที่เขาถวายมาคุ้มค่าปัจจัยสี่ที่เขาถวายมานี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไม่ใช่ว่าเราเป็นพระแล้วได้เกณฑของฝีแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้พระสงฆ์ปิกตุสำมเณิให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัย เ, เราถือว่าเราใช้เราอยู่ทุกวันนี้ เราอาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมเขานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาเขาจึงเสียสละจะตกปัจจัยใ ห, ให้ไว้ในพระพุทธศาสนาพวกเราคือส่วนหนึ่งเข้ามาพึ่งบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราไม่อยู่เนยไม่อยู่ในอยู่ในฟอร์มนี่แหลไม่ไม่ได้โป่งผมไม่ได้มีผ้าเหลืองน่ะ เออเราไปขอทานเขาล่ะเขาจะให้ไหมเออเขาก็คงไม่ให้ให้ก็คงจะไม่มากแต่ถ้าว่าอยู่ในฟอร์มนี่ลนะ่ะเราไม่ได้ขอเราเดินไปเออ ก, ก็ทั้งยกทั้งกราบทั้งไหวอถวายด้วยน้าจิตน้ำใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เพราะเหตุใดเพราะว่า เขานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับถื อ, อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนเขาเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเราที่ได้ปัจจัยสี่บินอาหารบินธบัตเป็นบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพราะนั้นพวกเราอยู่นสถานที่ใดให้เราสำนึกไว้อยู่ในใจเสมอว่านี่แหละเราได้มาพึ่งพาอาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจา้าจึงเป็นอยู่ได้จึงมีความร่มเย็นเป็นสุขขนาดนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าลืมตัวถึงจะได้ของมากของน้อยมาก็เป็นบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ที่ท่านให้กับพวกเราเพราะนั้นพวกเราอยู่นสถานที่ใดให้สารวมให้ระวัง อย่าลืมตัวให้เป็นผู้สํารวมกายวาใจจาใจให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมไว้อยู่ในจิตใจไว้อยู่เสมอเราอยู่ชนะสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะพระเนนลูกหลานถ้าว่าพวกเราออกนอกลู่นอกทางมีแต่ความอยากโลภโกรธหลงในจิตในใจแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่ได้นะนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสงฆ์ เข้ามาอยู่ส่วนภายในเข้ามาเป็นนักพจนักบวชท่านสอนอย่างไงก็มีมากอีกเหมือนกันให้พวกเราศึกษ า, เ, าเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพทนะุทธเจ้าแปด0 0่สี่พันพระธรรมมขันธ์ที่หลวงพ่อได้ยกสาธกมาให้พวกคณะจัทธาญายาโยมลูกหลานได้ฟังบางทีก็ยกเรื่องหนึ่งมาพูดให้ฟังบางทีก็ยกเรื่องหนึ่งมาพูดให้ฟังถ้าว่าเราจะยก ทุกษาทุกเรื่องราวต่างๆมีมากมายแต่สิ่งไหนควรที่พวกเราควรจะรู้สำหรับฆราวาสญาติโยมผู้มีภาระมากมีหน้าที่การงานมากถ้าหกวาไม่ได้ยินกูบาายานพระสงฆ์พูดอะไรให้ฟังพวกเราคงจะไม่ได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดนำไปพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็นศึกษาต่ออีก พวกเราอยากจะรู้กันเองศึกษาเข้าไปอีกมีในหลักธรรมวินัยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านก็แนะนำสั่งสอนเดินทางลัดทางลัดก็คืออะไรให้มีศีลถ้าคนมีศีลแล้วไม่มีโทษแล้วนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเพอเราไม่ได้คิดวิตกกังวลเรื่องภายนอกมากเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจ ถึงความสงบเน่งแล้วก็นำมาพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลอถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจนี่แหละอันนี้คือท่านทาน่ทานแนะนำแบบรวบรัดนะแต่ถ้าว่าไปดูในหนังสือและพระไตรปิฎก อ, อ น, นันทท่านพูดกว้างขวา ง, วางมากมายที่พวกเราจะต้องค้นขวา้าศึกษา เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณตาทายญาติโยมพระเนลูกหลานทุกองค์สรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีเป็นพระดีคิดดีทำดีพูดดีนี่ะอันนี้เเลิศประเสริฐนะสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีอย่าทำให้คิดทำขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนหาความสงบสุขทางด้านจิตใจไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร